เจรอนพอรท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจบุญศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริม ความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะการมาวัดนี้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรว่าอาเซวนาจบาลานังบันนิตานังจาเทวนาเอตํมมังกลมุตมังการไม่ครบคนพานหนึ่งการครบบันฑดตดหนึ่ง เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิ ต, ตการคบคนพาลก็คือคนโง่คนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้ประมาณไม่รู้กาลเทศะถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้ก็จะทา สิ่งที่เกิดความเสียหายให้กับตนและผู้อื่นแต่ถ้าได้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้ผู้ที่ะหลาญผู้ที่จะสั่งที่จะสอนให้เรามีความรู้ที่จะป้องกัน ร, รักษาชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมเสีย ใม้มีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวนะเวลาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ดินได้ฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคาสอนเหนือโลกเป็นโลกุตตะธรรมเป็นคาสอนที่เหนือกว่าคาสอนต่างๆในโลกนี้แม้แต่ระดับปริญญาเองก็สู้คาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะความรู้ในระดับปริญญาเอกหรือโทรหรือตรีก็ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดพ้นจากความทุกข์ได้ยังมีคำพูดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคนที่เรียนจบปริญญาเอกก็ยังร้องห่มร้องห้ายังเศร้าโศกเสียใจได้อยู่แต่คนที่ รู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจยคนที่จบปริญญาเอกกระโดดตึกตายก็ได้ยังมีกระโดดตึกตายกันแต่คนที่จบปริญญาของพระพุทธศาสนาอย่าไม่มีวันที่จะกระโดดตึกตายเพราะไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจทุกได้นั่นเอง ดังนั้นเราจึงควรเข้าหาบัณฑิตอย่าไปหาคนพาลคนง่องคนโง่งก็คือคนที่คิดว่าตนเองฉลาดคิดว่าตนเองจบปัญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วัอวดเก่งอวดรู้ว่ารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครหลอกที่จะรู้มากเท่ากับพระพุทธเจ้า แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้านุงทรงนำเามาสั่งสอนนี้ยังเป็นเหมือนกับใบไม้ในกามือเท่านั้นความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับใบไม้ในป่านับจำนวนไม่ได้แต่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนให้แก่พวกเราเนี้เปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือแต่เป็นความรู้ที่เหมาะสมกับพวกเราที่ยังมีภาชนะ รองรับความรู้ได้ไม่มากรับได้ก็เพียงใบไม้ในกำมือเท่านั้นถ้าเอาใบไม้ทั้งป่ามาให้พวกเราพวกเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จึงต้องสอนเพียงแต่ความรู้ที่จำเป็นเพื่อที่จะให้พวกเราได้หูมีหูตาสว่างแล้วสามารถหาความรู้ในระดับในป่าได้ ลงที่ไม่ต้องรอฟังจากพระพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เหมือนคนตาบอดที่ลืมตาได้ที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาไม่บอดมองเห็นได้พระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่สอนพวกคนตาบอดอย่างพวกเรา ให้กลายเป็นคนตาไม่บอดให้เป็นคนที่ตาดีเพราะตาคนตาดีย่อมเห็นย่อมรู้มากกว่าคนตาบอดนั่นเองจะไปสอนคนตาบอดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้สอนไปเท่าไหร่เขาก็มองไม่เห็นอยู่ดีสู้สอนวิธีรักษาตาบอดของเขาให้หายบอดดีกว่าพอตาเขาหายบอดแล้วเขาก็มองเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนตาดีมองเห็นกันความรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่กว้างขวางสำหรับพวกเราสอนเฉพาะความรู้ที่จำเป็นที่จะให้พวกเราได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ควรรู้ควรเห็นเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายกับตัวเราและกับผู้อื่นนั่นเอง ความรู้ในพระพุทธศาสนามีอยู่เจข้อด้วยกันที่เราเพึงรู้เพราะถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจข้อนี้แล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างถูกต้องจะไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแน่ตัวเราความรู้ที่เราควรรู้สองข้อแรกก็คือ รู้เหตุรู้ผลให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้รู้ว่าอะไรเป็นผลเหตุที่พวกเราควรจะรู้ก็คือการกระทาของพวกเราเองการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้เรียกว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผลก็คือความสุขความเจริญ ความทุกข์หรือความเสื่อมเสียเกิดจากการกระทำของเราไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่นไม่ได้เกิดจากดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได้เกิก ด, ด, ด, ด, ด ก, กับต้นไม้ภูเขาใบหญ้าแต่เกิดจากการกระทำของเราพระพุทธศาสนาจึงไม่สอนให้ไปดูดวงให้เสียเวลาไม่ให้ไปหาหมอดูไปดูฮองจุย้ย ไปดูภูเขาไปดูทะเลของพวกนี้เขาไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราเจริญหรือทำให้เราเสือ่อมดวงดาวมันจะผีเข้าผีออกอย่างไรดาวเสาแทรกดาวสุกออกมันก็ไม่เกี่ยวกับความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียของพวกเราความทุกข์ความเสื่อมเสียหรือความสุขความเจริญ อยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีการกระทำทางใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้กายทำอะไรต่างๆให้พูดอะไรต่างๆถ้าใจคิดดีก็จะสั่งให้พูดดีทำดีพอคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็เกิดขึ้นทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความเจริญตามมาถ้าใจคิดไม่ดีก็จะสั่งให้พูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายตามมาเกิดความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆเท่ามานี่คือเรื่องของเหตุของผลเหตุของการกระทำความไม่ดีก็คือบาปเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด การเสพสุรายาเมานี่เป็นการกระทำที่ไม่ดีเกิดจากความคิดที่ไม่ดีคิดโลกอยากได้ของผู้อื่นที่ตนเองไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดเจริหก็อยากจะได้ก็ไปลักขโมยพอไปลักขโมยเกิดมีการต่อสู้กันก็เกิดการฆ่ากันตามมาได้ หรืออยากจะได้ของบางอย่างพูดความจริงไม่ได้ก็ต้องพูดโกหกถึงจะได้อย่างนี้ก็เป็นการกระทาบาปทําแล้วก็จะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมามีสองส่วนส่วนเสียภายนอกกับส่วนเสียภายในเสียภายในก็คือใจจะไม่สบายใจจะทุกข์ใจจะวุ่นวาย จะวิตกกังวลเวลาไปโกหกแม่ไปขโมยของของแม่หรือของคนอื่นเวลาทำแล้วกลัวว่าเขาจะจับได้ใจจะไม่สบายถึงแม้จะได้สิ่งที่อยากได้มาแต่การได้มากับได้ไม่คุ้มเสียคิดว่าจะได้ความสุขจากสิ่งที่ได้มากับได้ความทุกข์ความไม่สบายใจ แล้วผลภายนอกก็คือถ้าถูกเขาจับได้ก็จะถูกจับไปลงโทษถ้าเป็นโทษหนักก็ต้องขังคุกขังตารางถ้าหนักมากก็ต้องถึงกับประหารชีวิตนี่เกิดจากการกระทาบาปเราจึงต้องรู้ว่าความสุขความเจริญของเราความทุกข์ความเสื่อมเสียของเราเกิดจากการกระทาของเราเอง ถ้าเราอยากจะมีความเจริญเราทำความดีความดีก็มีหลายอย่างความดีที่เกี่ยวกับตัวเราเองก็คือเราต้องฝึกฝนตัวเราให้มีความขยันหมั่นเพียรเพื่อที่เราจะได้สร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเราถ้าเรามีความขยันถ้าเราต้องเรียนหนังสือเราก็จะเรียนจบถ้าเราต้องทำงาน เราก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะได้รับเงินเดือนได้รับรางวัลจากการกระทําที่ดีของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความดีส่วนตัวทำเพื่อตัวเราเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเราจะไปให้คนอื่นเขาทำให้เราไปตลอดไม่ได้ พ่อแม่ก็ทำให้เราตอนที่เรายังช่วยตัวเองไม่ได้แต่ต่อไปพอเราเรียนหนังสือจบแล้วโตวแล้วไปทำงานเองได้แล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองถ้าเรามีความเกียดคร้างเราก็จะไม่สามารถทำงานทาการเรร่มเรียนให้จบได้เราก็จะเดือดร้อนเพราะจะไม่มีงานทำ จะตกงานไม่มีรายได้ถ้าไม่ระวังก็อาจจะต้องไปหารายได้ในทางที่ผิดทำผิดกฎหมายทาผิดศีลธรรมทำบาปไปพอเอาได้ของความเกลียดคร้านเราต้องระมัดระวังอย่าให้ความเกลียดค้านี้มันมีอยู่ในตัวเราพอมันเกลียดค้านี้ต้องรีบไล่มันไปรีบลุกขึ้นมาหาอะไรทาอย่าอยู่เฉย อย่าทำในสิ่งที่ไม่เกิดคุณประโยชน์เช่นการเล่นการเที่ยวเตะไม่ได้เกิดรายได้ขึ้นมาไม่ได้เกิดความรู้ขึ้นมาให้ทำในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้เกิดรายได้เช่นเราเป็นนักเรียนก็ให้ขยันเรียนขยันทำการบ้านอย่าขยันเล่นอย่าขยันเที่ยวเพราะจะทำให้การเรียนไม่ได้ดิบได้ดีะจะเรียนไม่ได้ คะแนนดีและอาจจะเรียนไม่จบเรียนไม่จบไปหางานก็จะหางานที่ต้องใช้แรงงานไม่สามารถหางานที่ใช้ความรู้ได้รายได้ก็น้อยความเหนื่อยก็ามากกว่าแต่ถ้ามีความขยันเรียนหนังสือเรียนไปจนจบปริญญาเวลาไปทำงานก็จะได้งานที่ไม่ต้องใช้แรงงานเป็นงานที่ใช้ความรู้ใช้ความคิด รายได้ก็ดีกว่านี่เป็นเหตุเป็นผลของความมีความขยันเราต้องพยายามฝึกความขยันไว้กับตัวเราอย่าเอานิสัยความขี้เกียจมาใช้เพราะความขี้เกียจนี้จะไม่ทําให้เกิดผลต่างๆที่เราปรารถนากันจะไม่ได้ความรู้จะไม่ได้รายได้ และเวลาอยู่กับใครก็จะเป็นที่รังเกยียจของผู้ที่ร่วมอยู่ด้วยเพราะไม่ร่วมกันช่วยกันทำงานที่ควรจะกระทำร่วมกันชีวิตก็จะตกต่ำจะไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยนี่คือเหตุที่ทำให้เราสุขหรือให้เราทุกข์อยู่ที่ความขยันลึกที่ความเกยียดคราง นอกจากนั้นเรายังต้องทำเหตุที่ดีที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นช่วยเหลือคนอื่นมีอะไรที่เรามีมากพอที่จะแบ่งปันก็ไปแบ่งปันกันทําทานกันเพราะจะทำให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เราขึ้นไปเป็นเทวดาตายไปเราจะได้ไปสวรรค์ ถ้าเราไม่ทําทานตายไปเราจะไม่ได้ไปสวรรค์แล้วถ้าทําบาปไม่ทําทานแล้วไปทําบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตได้เกิดเป็นเดรัจฉาน mm. นี่เป็นผลสุดที่เกิดจากความเกียรติค้านคนเกียรติค้านจะไม่มีมันมีทองมีข้าวมีของมากพอที่จะมาทําบุญทําทานได้ แต่คนที่มีความกยันนี้จะสามารถทําบุญทําทานได้เพราะจะมีรายได้มากกว่าที่จะต้องการใช้จะมีเงินทองเหลือใช้ถ้ามีเงินทองเหลือใช้ก็อย่าห่วงอย่าเก็บเอาไว้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาปถ้าเราทําบุญเราก็จะได้เอาบุญไป บุญนี่ก็เปรียบกับเป็นเหมือนเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์นี้เอง mm. เวลาเรามีเงินมีทองมีบุญไปเราก็จะไปอยู่ในระดับของเทวดา mm. ถ้าอยู่โรงแรม mm. ก็อยู่โรงแรมระดับห้าดาว mm. แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่มีบุญติดตัวไป mm. เวลาตายไปเราก็ต้องไปเป็นขอทานข้างถนน ในโลกที่พวกที่เป็นขอทานนี่เราเรียกว่าเปรตเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญหรือว่าไม่มีเงินที่จะทำเนื่องจากมีความเกียดคร้านแล้วก็เงินทองที่หามาได้ก็หามาโดยวิธีทุจริตทำผิดศีลผิดธรรมพอตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตต้องมารอรับส่วนบุญ ของญากพี่น้องที่ต้องขวดน้ําส่งไปให้แต่ถ้าเรามันทําบุญอยู่เรื่อยๆเวลาเรามีเงินมากเกินจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เอาไปทําบุญก็เท่ากับเป็นาการเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารบุญหรือธนาคารของโลกทิพย์พอตายไปไปอยู่ในโลกทิพย์ก็สามารถที่จะเบิก เ, เงินทองในโลกทิพย์มาใช้จ่ายต่างๆได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญจากผู้อื่นนี่ก็เป็นเหตุของการทำความดีอีกรูปแบบหนึ่งคือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะได้บุญถ้าเราทำความสุขให้กับตัวเราเราจะไม่ได้บุญเช่นเราหาเงินหาทองมา ได้เงินมาเราก็มาจับใจใช้สอยซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากจะซื้อเราก็จะได้รับประโยชน์เฉพาะตัวเราและรับประโยชน์เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเวลาตายไปเราจะไม่มีทรัพย์ติดตัวไปดังนั้นเราจึงควรทําประโยชน์ทั้งของเราและของผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงสอนว่าจงยังประโยชน์ตนของ ของตนและของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคือให้เราไม่ประมาทอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราคิดว่าตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังไม่แก่เรายังไม่ต้องทำบุญก็ได้ไว้รอใกล้ตายก่อนเวลาแก่ก่อนแล้วค่อยไปทำบุญแต่คนเราบางทีไม่ได้ไม่ทันแก่ก็ตายก่อนก็มี เนี่ยถึงสาเหตุจึงมีเปรดมากเพราะคิดว่าจะรอทาบุญตอนที่แก่แล้วตอนที่ ย, ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ขอให้สนุกสนานเฮฮาให้เที่ยวให้กินให้ดื่มให้ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆจีปาทะร้อยแปนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องกับการรักษาศีลคิดว่าไว้รอใกล้าตายแล้วค่อยไปยเข้าวัดไปรักษาศีลไปทาทาน แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ทันแก่ก็ตายเสียก่อนไม่ทันได้ทำบุญไม่ได้ทันรักษาศีลตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตด้วยความประมาทนี้เองเราคิดว่าจะอยู่จนถึงวัยชาราภาพคนเหล่านี่มีตายได้ทุกวัยก่อนมาวันหนึ่งตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มี ปีหนึ่งตายก็มีสิบปีตายก็มียี่สิบสามสสี่สิบปีตายไปก็มีไม่มีอะไรแน่นอนจึงอยากประมาทขอให้เราคิดเสียว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราจะเก็บไว้เท่าที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้แล้วรีบเอาเงินทองเหล่านี้มาแปลงเป็นบุญดีกว่า เพราะเวลาเราตายไปเราจะได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปอยู่โรงแรมห้าดาวไม่ต้องไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตข้างถนนนี่คือเหตุเรียกว่าการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้ญาติโยมได้ทำประโยชน์ทั้งสองส่วน ประโยชน์แรกก็คือดูแลอัตภาพร่างกายชีวิตของตนให้อยู่ได้เป็นปกติสุขไม่เดือดร้อนแล้วพอมีเงินเหลือก็เอามาทำบุญเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นถ้าทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยรับรองได้ว่าตายไปต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนไม่มีวันที่จะไปอบายได้ถ้าไม่ทำบาปถ้ารักษาศีลห้าได้ ถ้ารักษาศีลห้าได้แต่ไม่ทำบุญไม่ไปอบายแต่ไม่ไปสวรรค์ก็กลับมาเป็นมนุษย์แทนมนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างสวรรค์กับอบายผู้ที่มีบุญกับบาปเท่ากันบุญก็หนึ่งไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็หนึงไปอบายไม่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาป บุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายนะดังนั้นถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาก็ขอให้เราพยายามทำบุญให้มันมากๆอเอาไว้ก่อนให้มันมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำไว้พอเร า, เร า, เราตายไปบุญจะได้ดึงเราไปสู่สุคติได้ไม่ดึงเราไปสู่ อบายไม่ดึงนะเราให้ไปเป็นเปรได้นี่คือเหตุที่เราควรจะรู้กันและผลที่จะทำมาจากการกระทำของเราเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลประการต่อมาให้รู้ตนรู้ตนก็ให้รู้จากตัวเราตัวเราพวกเราทุกคนนี้มีความแตกต่างกันไม่ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีหน้าที่ที่เหมาะสมกับฐานะของตน เป็นหญิงก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นชายก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นเด็กก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นลูกก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นอาจารย์ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเราจึงต้องรู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรกับ เราเป็นเด็กเราก็ต้องทำตัวเป็นเด็กอย่าไปทำตัวเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็อย่าไปทำตัวเป็นเด็กเพราะทำแล้วมันจะทำให้เราเสียเครดิตเป็นผู้ใหญ่ไปทำตัวเป็นเด็กก็จะไม่มีใครเขาถือว่าเราเป็นผู <S <S> <S ้ใหญ่เขาก็จะคิดว่าเราเป็นเด็กเขาก็จะไม่อยากจะทำอะไรกับเราทำแล้วมันก็จะไม่ได้บรรลุผลเหมือนกับทำอะไรกับเด็ก หวังอะไรมากไม่ได้จากการกระทํากับเด็กไม่เหมือนกับการกระทํากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากกว่าเด็ก น, นี่เราต้องรู้ฐานะของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรแล้วทำหน้าที่ของเราให้สมกับฐานะของเราแล้วชีวิตของเราก็จะไม่มีปัญหาตามมารู้ตนก็ให้รู้ผู้อื่นผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย คนที่เราพบปะด้วยเขาก็มีฐานะของเขาเขาอาจจะเป็นพ่อเราอาจจะเป็นแม่เราอาจจะเป็นครูอาจารย์เราอาจจะเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเราแต่ละคนนี้เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาให้เหมาะสมกับฐานะของเขา เช่นผู้ที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพผู้ที่เขามีบุญมีคุณเราก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีผู้ที่อ่อนกว่าเราเราก็ต้องให้ความเมตตาเอ็นดูผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ต้องให้ความกรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเขานี่คือการรู้รู้บุคคลจะทำให้เราอยู่กับบุคคลอื่นได้อย่าง สงบได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าเราไม่รู้จักบุคคลแล้วเราปฏิบัติตัวเราไม่เหมาะสมกับบุคคลก็จะทําให้เราอยู่กับเขาไม่ได้นี่คือรู้ตนรู้บุคคลแล้วต่อมาก็ให้รู้สังคมสังคมก็คือสังกัระเบียบประเพณีที่ดีงามต่างๆที่เราอยู่ในสังคมนั้น สังคมแต่ละสังคมก็มีกฎมีระเบียบมีพิธีการกระทำต่างๆสังคมในบ้านก็อย่างหนึ่งสังคมที่ทำงานก็อย่างหนึ่งสังคมที่โรงเรียนก็อย่างหนึ่งสังคมที่วัดก็อย่างหนึ่งเวลาเราเข้าสู่สังคมนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามเพื่อที่เราจะได้กระทำให้ถูกตาม ขนมธรรมเนียมประเพณีเพราะถ้าเราไม่กระทำตามขนมธรรมเนียมประเพณีเราก็จะถูกปฏิเสธได้จะไม่จะไม่สามารถอยู่กับในสังคมนั้นได้เช่นสังคมของมนุษย์นี้ก็ต้องมีศีลห้าถ้าใครมาทำผิดศีลห้าก็จะมักถูกสังคมกำจัดเช่นคนที่ค่าลักทรัพย์ทำผิดกฎหมายก็จะถูก จับแยกออกไปอยู่ในคุกในตารางเพราะปล่อยให้อยู่ในสังคมของของมนุษย์ไม่ได้เพราะพวกนี้เขาเป็นเหมือนกับเดลฉานเดลฉานเราไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเสือสิงกะทิงแาดนี้เราต้องจับขังไว้ในกรงเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วจะทั้งความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองและทร้งเสียความเสียหายให้กับตนด้วยเพราะจะถูกยิงตาย เวลาสิงสารสัตเล่นรอดออกมาจากตรงนี้ถ้าเขาตามตามจับไม่ได้เขาก็ต้องฆ่าตายเพราะปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยแล้วจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเราต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีรู้จักกฎระเบียบเช่นเราต้องรู้จักกฎหมายกฎหมายของประเทศที่เราอยู่กฎหมายของมนุษย์ ถ้าเราไม่อยากจะตายแล้วต้องไปถูกขังอยู่ในอาบายก็อย่าไปทำบาปถ้าไม่อยากจะติดคุกติดตารางก็อย่าไปทำผิดกฎหมายนี่คือการรู้สังคมรู้ต่อมาก็คือให้รู้ประมาณความรู้ประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีความพอดีในการจับใจ่ายใช้สอยสิ่งบริโภคต่างๆ คือปัจจัยสี่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คืออาหารเครื่อนนุ่มหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ให้รู้จักประมาณคืออย่ามีมากเกินไปอย่ามีน้อยเกินไปมีมากเกินไปก็เสียเงินเสียทองไปประปาๆมีน้อยเกินไปก็ทําให้ร่างกายเดือดร้อนได้เช่นอาหาร ถ้ารับประทานน้อยเกินไปร่างกายสู้ผอมก็อาจจะเกิดโรคภัยขึ้นมาได้รับประทานมากเกินไปทําให้ร่างกายอ้วนกลายเป็นตุ่มก็เป็นปัญหาขึ้นมาได้ต้องรู้จักประมาณความพอดีความต้องการของร่างกายเสื้อผ้าอภรริก็เหมือนกันมีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเกะกะเปล่าๆลดตู้ เกะกะบ้านช่องมีน้อยเกินไปก็ไม่ได้เพราะทำให้ทให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเราต้องออกไปนอกบ้านเวลาออกนอกบ้านก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่แล้วเวลาออกไปก็มีที่ที่เราต้องไปหลายแห่งอาจจะต้องมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานที่ต่าง เสื้อผ้าที่ต้องสวมใส่ไปงานศพเสื้อผ้าที่ต้องสวมใส่ไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดเสื้อผ้าที่สวมใส่ไว้เวลาไปทำงานเสื้อผ้าที่สวมใส่ไว้สำหรับเวลาไปท่องเที่ยวอันนี้เราก็ต้องมีไว้พอประมาณแต่อย่ามีมากเกินไปไม่ใช่เห็นเสื้อผ้าตามร้านพอเห็นว่าชอบก็อยากจะได้ก็ซื้อมาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อมา เราซื้อมากก็ต้องใช้เงินมากใช้เงินมากก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองแล้วถ้าหาเงินไม่พอก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหามาให้พอได้ดังนั้นเราต้องระมัดระวังการใช้จ่ายของเราอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นให้รู้จักประมาณเพื่อที่เราจะได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดรอ้อน ไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายนี่ก็คือรู้จักประมาณแล้วข้อที่สุดท้ายก็เรียกว่ารู้กาลเทศะรู้กาลเทศะก็รู้สถานที่รู้เวลาสถานที่เราไปในแต่ละสถานที่ในแต่ละเวลาเขามีการกระทำที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เราควรจะทำอย่างไร เช่นเวลาเรามาวัดเขากำลังฟังเทศฟังธรรมกันเราก็ไม่จะเอาข้าวเอาของมาประเคนมาถวายเราก็ต้องรอให้การฟังเทศฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาเข้ามาถวายทีหลังเวลาฟังเทศฟังธรรมเขานั่งกันอย่างสงบเราก็ไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเรามาสายแล้วเราอยากจะ เตรียมเอาข้าวเอาของมาเพื่อถวายพระตอนนั้นก็ไม่ควรทำถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมอยู่ควรจะร่วมฟังเทศฟังธรรมกับเขาเวลามีการอนุโมทนาให้พรพระสวดมนต์ก็ควรนั่งพนมมือรับฟังไม่ใช่ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไปนั่งคุยกันอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักการลาเทศะถ้าไปอยู่ในสารที่ ท, ทาไม่ถูกกับการลาเทสะ ก็จะถูกเขาเชิญออกไปอยู่ที่อื่นนี่คือการกระทําต่างๆการรู้ต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรามีการกระทําที่ถูกต้องไม่เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นถ้าผู้ใดมีความรู้ทั้งเจประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวจะไม่มีความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมา แม้ว่าจะไม่มีความรู้ทางโลกในระดับปริญญาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้รู้เพียงเจ็ข้อนี้ดีกว่ารู้รู้ระดับปริญญาตีโทเอกแต่ไม่รู้เจดข้อนี้ก็จะทำให้ดาเนินชีวิตไม่ถูกต้องไม่กระทําในสิ่งที่จะทําให้อยู่อย่างร่มเยนเป็นสุขกลับจะทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมา จึงขอให้พวกเราให้ความสำคัญให้ความสนใจกับความรู้ทั้งเจ็ประการนี้พยายามนำเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นรู้จักสังคมรู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณรู้จักเหตุและรู้จักผลถ้าเราไม่เตือนตัวเองเดี๋ยวเราลึง ลืมแล้วเราก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรกะทำแล้วก็ต้องมาเสียใจในภายหลังลืมขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมความเป็นสิริงมงคลด้วยการังเทศัทำธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านไดน้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา